นนี้ไปกราบหลวงปู่เพ็งพหน้าตาสดใสดีกุติหลังนั่นหลมันจะทำใหม่นะกุฏิหลังคาเขียวดันตะวันตกกุฏิหุนลงปู่ขาว ครบหล่อเพิ่มมั้งสิบยี่เป็ดมังเขาเคยนิมนต์เราแต่เราไม่ได้ไปตุลาเนี่ยแหละเพลงนี้ก็เอามาพลิกเอามาพาดมาตั้งแต่สิบกว่าปีแล้ว สิบกว่าปีแต่ดีท่านพูดได้ร่างกายอามภาพาแต่ท่านพูดได้ภาษา ส, ส่วนสิ่ที่พูดได้ท่านพูดได้ท่านเทศได้แต่ไม่มีแรงร่างกายกรสุดลงสุดลงสุด ตลอดแรงที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเข่าออกเข้าออกโรงพยาบาลศรีนครินหลวงปู่เพง่งเป็นเนนหลวงปู่ขะหลวงปูม่มันน์นั่นบทเป็นเนนหลับใช้ยหลวงปู่มันน์เป็นเนนรุ่นนั้นน่ะรุ่นน้องผืนหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่หนะลวงปู่เพง่งเป็นเนนอยู่ ทิศซอยหอยตามหลงตาตอนหลังมาก็บวชทซอยห้อยตามหลงปูเขาวหลงตาหลงภูเขาวดูแล้วก็ทำตาหลงปูเขาวตอนเรามาอยู่นี่แล้วเรามาอยู่นี่ทาเต่านี่แหละเพื่น อ, อำมาภัย เมื่อก่อนท่านไม่เป็นอะไรพอเรามาอยู่นี้ท่านก็มานี่มาหลายครัง้งและมาให้เราขยายวัดไปถึงถึงธรรมะมางธรรมะมางที่ท่านแนบอยู่หน่อให้เราขยายวัดไปให้ถึงนั่นมรนก็มันก็ไกลอยู่นะไกลเติบอยู่เป็นเซนตอ๋อเป็นกิโลล่ะแต่ หลังจากตอนหลังมาในโมโมโมเลาที่นี่ไปเที่ยวไปอาศัยถ้านั้นบ่อยๆเมื่อก่อนถ้านั้นไม่ได้ไม่ได้ตุบแต่งอะไรเป็นถ้ำเฉยๆทำมามือวันนี้ไปไม่ได้พามันดูถา้ถาถ้าสวยเพียดานนี่เรียบยาวเป็นเส้นท่านเนี่ยไปสร้างไว้ดีมีเสลามีกุฏิมีศาลามีที่พักมีอะไร ก็รู้ว่าพระเราไปบ่อยไปบ่อยไปบ่อ ย, อ ย, อยเพนก็เลยให้ท่านแนบมาอยู่กลัวเราไปยึดเลยให้ท่านแนบมาอยู่ท่านแนบอยู่ปักหลักอยู่ตรงนั้นเป็นวัดมาจนทุกวันเนี่เวลาเขามีงานเขาเปิดเครื่องอะไรเนี่ยได้ยินถึงวัดตรงนั้นเวลากระถินเขาเปิดเครื่องทำทำหมักม่างุงปุรีเคยอยู่ น, นั้นเป็นวัดก่อนสระทับถ้ำวัดของทอง ว, วัดวัดคลองทองที่มีก้อนหินใหญ่ๆอยู่ด้านตะวันออกนั่นอีกถ้าเป็นหน้าแรงเรามองไปจะเห็นเมื่อก่อนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีป่า ย, ยางเรามองไปเห็นเห็นก้อนหินอุ้มลมริมๆเป็นเขาเป็นเป็นภูเขาไม่ใหญ่ดอกอันนั้นก็ตอนหลังมาก็ท่านสักไปสร้าง ท่านสักไปสร้างได้อยู่ไดกี่ปีมารู้ละเข้าออกเข้าออกเข้าออกทำกองเพลงตอนหลังมาหลวงปู่เพ่งอามาพาดอีกท่านสักอะไรเข้าไปอยู่โน้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้ท่านอะไรท่านอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ให้ท่านอะไรอยู่ท่านสักท่านอะไรลืมและเมื่อเมื่อวานคิดออกอยู่ ยานต้อยให้ท่านต้อยอยู่ให้ท่านต้อยอยู่เป็นที่ดีเป็นเสียนาสนะผาดีอยู่ที่ดีดีแต่ที่ดีก็ไม่มีที่ไหนสู้ทำกองเพนเป็นที่ดีมีภูเขามีเงือมมีเงิอบมีน้ำมีแอง่ง มีโคกมีดอนเป็นป่าดงดิบดูร่มรื่นมีถำ้ำแต่ถ้ำนั้นก็ไปปรับปรุงไปปรับปรุงเป็นหนักๆในที่สุดเลยเป็นที่เที่ยวคนไปก็ไปเที่ยวคือไปเที่ยวกราบมาแหละเป็นสลาทําเป็นโบสถ์เอาถ้ำนั่นแหละทําเป็นโบสถ์ เอาทำนั่นแหละทำเป็นโบสทํทำสังฆ ก, กรรมเป็นที่ดีมากทำกลองเพลงสมัยหลงปูกขาวอยู่โอ้ยครูบาอาจารย์ประเนินเต็มต่อมาก็หลวงปูกเพลงอยู่อยู่มาอยู่มาหลวงปู่เพลอองก็เ อ, อามาพาดอีก กำลังกเกลิดอ่อนลองเองแ่ละลูะลกศิษย์รุ่นหลวงปู่เพง่งหลวงปู่ยันทาเนี่ยอยู่ทํากองเพลงจะ น, น้อยประยชนอเมริกานะจะ น, น้อยประยชนอเมริกา ทำกองเพลงอาจารย์ประสิทธิเ์เจ้าคณะอำเภอชุมเพลไปอยู่อเมริกาเดี๋ยวนี้ไปอยู่อเมริกาไปจับทำกองเพลงวันนี้พอลงปู่พอหมดลงปู่ก็เลยแตกแยกกันแหละผู้เพลงอยู่ตรงนั้นก็จัดบุญทำบุญครอบเราทุกปี เมื่อก่อนนั้นเราไปเกือบทุกปีตอนหลังมาไม่ได้ไปหลายปีละเป็นที่ดีเป็นที่ชุ่มเป็นที่เย็นแต่ครูบาอาจารย์เป็นยังงั้นไปสิอีกอเน็นก็เลยลำบากอยู่เมื่อกลงวันนี้เราไปพอดีไปอาจารย์ประสงค์ก็ไป อาจารย์ประสงค์อยู่บ้านใต้วัดบ้านใต้วัดอาจารย์สุพัฒที่เครืองบินตกอ่ะอำเภอสว่างอาจารย์ประสงค์ก็เลยเดินเล่าเดินคุยอาจารย์เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันมีครูบาอาจารย์ควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้มันไม่มีไม่มีมมน้องปูเพลงท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้เอาไม่มีใครควบคุมดูแลก็ต่างคนต่างเป็นเอาอีลูละ ปลาเนเท่าไหร่ไม่รู้นะรเนาะทราบไหมปลาเนนเท่าไหร่ปลาเนนก็เคยมากก็น้อยลงน้อยลงที่ใดก็ตามเราไปอยู่ที่ใดก็ตาม ที่ดีขนาดไหนก็ตามสบายะสะดวกสบายขนาดไหนก็ตามถ้าเราได้หลับได้เกณฑ์แล้วก็ดีดีมากดีเยี่ยมแต่ถ้าเรายังไม่ได้หลับยังไม่ได้เกณฑ์เราต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์เราต้องอาศัยครูบาอาจารย์เราต้องอาศัยหมู่เพื่อนรุ่นพี่ ช่วยพยุงช่วยสืบทอดช่วยดูแลช่วยประคับประคองและต้องเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงในหัวใจของเราถ้าหากไม่เป็นที่เคารพไม่เป็นที่ยำเกรงแล้วอยู่ลาบากทำมันไม่ค่อยเจริญมันมีแต่กิเลสเจริญ เราเมื่อันมีที่เคารบมนันไม่มีที่ยำเกรงไม่มีผู้ยำเกรงไม่มีใครน่ากลัวนักนักเขา้ากิเลสในตัวนในหัวใจของเรานะี่ยมันออกเพนผ่านเพนผ่านเพนผ่านเพนพ่า น, น, น, น, น, น, น, น, นคนนั้นก็ออกคนนี้ก็ออกคนนั้นก็ออกคนนี้นก็ออกก็เลยเอากิเลสจ่ายตลาดแข่งกันเล็กกันเราก็เห็นานะเดชทละบอกไปกันนั่นแหละคือเอากิเลสจ่ายตลาดกัน นั่นมันไม่ไม่เป็นที่เคารพมันไม่เป็นที่ยำเกรงแก่กันและกันหากมีความเคารพกับครูบาอาจารย์อยู่บ้างอยู่บ้างถึงกรณ์นั้นก็ ย, ยังเอาไม่อยู่ถ้าหากมันเกิดถูกกิเลแสแทรกรุนแรง ม, มันก็ระเบิดได้เช่นเดียวกัน นี่เราดูเถอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลางําบากเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้อย่างที่พูดมิชาวนี่แหละขาดความอดทนสะอย่างพังหมดชิบหายวายพ่วงหมดความประพฤติ ท, ที่เคยจะดีเคยดิบเคยดีเคยดิบเคยดี กำลังจะดีในเมื่อไม่ถูกอบรมบ่มสืบต่อเนื่องหมายถึงอบรมบ่มด้วยตัวของตัวเองเนี่ยไอที่ว่าจะดีจะดีจะดีนั้นก็ถูกลบเลือนไปง่ายๆเองสิ่งที่มันมีพิษสงอยู่ข้างในมันแทนที่กันได้แป๊บเดียวแหละแทรกเข้ามาแล้ว แทนที่กันในแพ๊บเดียวแทกเข้ามาแล้วอีมันลาบากนะมันลำบา ก, นะบากเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ถือนิสัยอยู่ในสายหูสายตาของท่านท่านได้ดูดได้ว่าได้บอกได้สอนอาศัยท่านเป็นที่เคารพ เป็นที่ยำเกรงคำว่าเคารพเนี่ยคารพบยำเกรงเนี่ยมันรวมไปถึงกิเลสในหัวใจของเราเนี่ยมันหดมันหายหัวมันหดหายไปเลยมันไม่กล้าแสดงออกมากับโมกับเพื่อนกับพวกกับพ้องเพราะมีครูบาอาจารย์เป็นที่คารพเป็นที่ยำเกรงถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงแล้ว อดที่สิเหล่านี้มันจะแสดงออกมาไม่ได้แต่ท่านเป็นที่ของเราเป็นที่ยำแกรงอยู่ท่านมีสินท่านมีธรรมอยู่โดยเหตุกิเลสในใจของเรามันโตมันก็ไม่พ้นแสดงออกมาได้มันจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเป็นเรื่องลำบาก การที่เราจะประคับประคองตัวเราเองให้พ้นปากเหี่ยวปากกาเพราะโพเลี้ยงโพปลูกโพของเราเนี่ยให้มีชีวิตชีวาให้มีดอกให้มีใบให้มียอดมีใบมีลำต้นเจริญเจริญเรื่อยเรืยเจริญเรื่อยเ่อยจนได้เป็นร่มโพร่มใยได้พึ่งพาใส่ด้วยตัวของตัวเราเองนี่ มันต้องตเกี่ยวกักายอย่างมากมันเป็นเรื่องต้องอดต้องทนต้องสู้ต้องฝา่าต้องฝืนและต้องเป็นผู้มีปัญญาพอสมควรถ้ า, าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอาตามใจชอบตามใจฉันเอาตามใจชอบเอาตามใจฉันเดี๋ยวก็ออกนอ ก, ก, นอกทางแล้วก็ไปแหละ อนนันหลุดอันนี้ร่วงหนักหมันก็ลยแลกไปหมดแล้ไม่มีอะไรเหลือแล้วมีความดีในใจของเราที่เราพยายามสร้างเนี่ยมันไม่มันทำได้ยากเพราะมันมีตัวเจ้าตัวจอมที่เป็นตัวเสนียดมันอยู่ในใจของเราเองตัวกิเลสตัณหาเนี่ยมันขอยยับยบยับยับยบยบ ย, บ ย, บยบที่แรกก็วั น, ว, นวันอยู่บ้าง เกรงเกรงอยู่บ้างเขาลบอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างหนักหนักเข้ามันมึนมันตึงมั น, มนด้านไปหมดนี่เอาไม่อยู่ดูเราดูให้ดีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เหนือความสัมพันธาพยายามของเราของท่านไม่เหนือความพยายาม ให้มีความอดความทนเป็นภาคเป็นพื้นเอาไว้เหมือนพื้นดินเหมือนพื้นชลาที่เราขึ้นมามันแข็งแกรง่งความอดความทนในหัวใจของเราเนี่ยมันมีแทมันมีอะไรแทกเข้ามาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาอดทั้งอดทั้งทนอดทนปิดกั้น สังวรระวังไม่ให้มันมาแทรกแทรกสิงหัวใจของเราได้สังวรไม่ได้ผิดไม่ได้กั้นไม่ได้ระมัดระวังระวังไม่ได้มันก็แทรกเข้ามาที่หัวใจของเราเราก็เป็นทาตุของมันเป็นทาตุของมันก็แล้วแต่มันจะแทรกแหละแล้วแต่มันจะดึงชักบังเหีนเยนแหละไปซ้ายไปขวาไปขวาไปซ้ายขึ้นขึ้ น, น, นลงลง น้องหนักเขาก็รุดลุยแหลกรานไปตามมันหมดไม่มีอะไรเหลือบุติเจ้าท่านมองมองไกลเห็นไหกุลบุตรบวชแล้วต้องอยู่กับอุปัชฌาย์กับอาจารย์จนสามารถช่วยตัวเองได้กี่ปีไม่สำคัญสำคัญว่าตนช่วยตัวเองได้ช่วยตรงนี้แหละ ช่วยตรงที่ไอ้สิ่งที่มันอยู่แทรกเสียงอยู่ในจิตของเราเนี่ยจนกว่าจะรู้หน้ารู้ตารู้เรารู้มันรู้ข้อต่อกอนแกกันแลยกันและสามารถเอาตัวรอดได้สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ห้าปีห้าปีเป็นเกณฑ์ตามวินัย แต่ตามทำแล้วกี่ปีไม่เป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่ช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองได้เต็มที่ช่วยตัวเองได้เต็มร้อยต้องจึงให้มีการถือนิสัยแก่กันและกันการถือนิสัยก็คือเป็นการเปิดหัวใจให้ใหแก่กันและกันนั่นละ ยินดีให้บอกยินดีให้สอนยินดีให้แนะนําตักเตือนสั่งสอนขอนิสัยสอนข้อปฏิบัติเพื่อเพื่อความเจริญงอกงามตามธรรมตามวิ น, นัยตามระบบตามระเบียบที่เป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลเป้าหมายคือพระนิพพานพระไศท่านเป็นผู้กล่อมกลาฝึกฝน อบรมเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงเป็นที่อยู่หวั่นเกรงเป็นที่ยำเกรงแต่ถ้าไม่ยำเกรงไม่หวั่นเกรงเราดูเราดูกิเลสมันแสดงออกคนที่เขาด่ากันคนที่เขาตอกอกันทุบตีเตะต่อยกันฆ่าแกงกันเขาไม่เกรงกัน เขาไม่หวั่นกันเขาไม่เกรงกันเขาไม่กลัวกันเขาสามารถแสดงออกได้อยาบขนาดไหนก็สามารถแสดงออกได้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีอยู่ในหัวใจของเราเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสัมพัญญะเป็นผู้มีฮิริธรรมเป็นผู้มีโอตตปธรรมหิริคือความละอายต่อบาป ที่มันจะมาแทรกสิ่ ง, นงในหัว้ใจของเรายุ่ยแย่ให้เราแล้วแต่ะใจเราทําสิ่งใดที่มันชอบใจชอบใจเราเนี่แหละเราก็ว่าเราเราเนี่แหละอ ม, มีความละอายละอายแก่ใจตัวเองไม่ใช่ละอายคนอื่นนะโอ้รู้สึกละเอียดลึกมากละอายแก่ใจตัวเองที่ ส, สอนฮิริฮิริโอตะปะละอายแก่ใจของตัวเอง คนเราทั้งเมื่อมีความละอายเก่ใจัองตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นที่รับเมื่อจะเป็นที่แจ้งคนทั้งหลายจะรู้จักจะไม่รู้จักจะได้ยินจะไม่ได้ยินจะได้ฟังจะไม่ได้ฟังจะรู้เห็นจะไม่รู้เห็นก็ตามที่แจ้งก็ตามที่รับก็ตามไม่กล้าทำสิ่งที่เลวร้ายผิดศีลผิดธรรมไม่กล้าทำเพราะมันมีความละอายแก่ใจ พื้นฐานตัวนี้เราดูไปเราเพ่งไปเรามองไปในหัวใจขอเราเรามีพอเป็นที่พึ่งแก่เราได้ไหมหิริธรรมโอตัปธรรมความละอายแก่ใจถ้ามีความละอายแก่ใจเป็นภาคเป็นพื้นคนนั้นเอาตัวรอดคนนั้นจะไม่ตกนรกแน่จะต้องเลยเป็นเทวดายืนเดินนั่งนอนเป็นเทวดาทุกเรียะ เพราะมันเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นเทวดาเป็นสุขธรรมเป็นธรรมขาวเป็นเทวธรรมธรรมะของเทวดาเป็นสุขธรรมอตะปะเกรงกลัวเกรงกลัวต่อผลบาผลกรรมนั่นไม่กล้าทำและอายแก่ใจไม่กล้าทำํำอตะปะสืบช่วงต่อมากลัวต่อผลกรรมที่จะพึง บางเกิดขึ้นหลังจากเราล่วงละ เ, เมิดข้อนี้ไปแล้วอย่างนั้นมีความละอายด้วยมีความเกรงกลัวด้วยเหมือนคนที่สงวนตัวนั่นแหละชำระขัดเกลาตัวดิบดีนุ่งเสื้อผ้าอาอนดิบดีแล้วก็ย่อมรังเกียจต่อสิ่งปฏิกูลโโครกที่จะมาแปะเปื้อนตัวเองพยายามหลีกพยายามเลี่ยง ยามระมัดระวังความนึกความคิดที่เลวทรามที่จะพึ่งโผล่มาในหัวใจยิริธรรมโอตปะเกรงกลัวเป็นผู้รู้ธรรมสำหรับปิดกั้นอาบายปิดกั้นบาปปิดกั้นอกุศลในหัวใจของตัวเองทําข้อนี้ระลึกใส่เข้าไว้ เป็นแกนนําในหัวใจของเราฮิริธรรมโอตปธรรมขันติความอดความทนโสดจจะความสงบเสงเียบเป็นธรรมะภาคจริยธรรมที่ใครมีแล้วสามารถมาปกป้องคุ้มครองกายวาจาใจของคนคนนั้นให้งามเป็นเทวดาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอน ตัแต่ยังไม่ตายนี่แหละก็เรียกว่าเทาวธรรมเวทวธรรมธรรมขาวสุกธรรมเรียกว่าธรรมขาวยริโอตปะสัมปนาสุกะธรรมสมัยตาสันโตสปุริซาโลเกเดวะธ ร, รมมตัติอุจติยริโอตปะธรรมนี่แหละเป็นเทวธรรมเป็นธรรมขาว การเคารพยำเกรงผู้อื่นก็เป็นไปจากที่เรามีฮิริธรรมโอตะปัตธรรมเป็นคุณธรรมที่มีในหัวใจของเราถ้าไม่มีเลยก็ยากกันดูดูด อ, อท่านก็คงไม่คงเหมือนเราแหละท่านก็เหมือนกับเราแหละท่านก็ไม่เคลื่อนเราเมันคิดไปได้หมดอะกิเลตไม่เห็นมีความสำคัญอะไร ก็พอๆก็บเราอออาจจะพิลายกว่าเราแหมันคิดได้สารพัดความยำเกรงไม่มีความขารกไม่มีกิเลสมันเลยเพ่นผ่านในหัวใจของเราแหน่เริ่มคิดขนาดนี้แค่นี้มันเพ่นผ่านแล้วมันพร้อมที่จะนึกที่จะคิดที่จะทำได้ตามใจบังตามใจชอบสามารถสามารถทำตัวเป็น หน้าไหว้หลังหลอกตามโบราณทันวานสามารถถามได้ถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้แล้วอย่าเราพูดถึงความเป็นอยู่ความเป็นอยู่เราพูดถึงหมู่เราพูดถึงครูบาอาจารย์แล้วมันก็เป็นเหตุสะท้อนมาที่เราที่ท่าน เราจะพยายามตั้งเนื้อตั้งตังตวยังไงเราตั้งความหวังในใจของเราไว้อย่างไรถ้าหากเราคงแก่เรียนด้วยเห็นได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสสัมผั์มันไม่มีสิ่งใดเกินที่ครูบาอาจารย์ทัานศรน สุติธรรมปัญญาธรรมสินสมาธิปัญญาฮิริธรรมโอตปะธรรมคันติธรรมโสรัจัตธรรมวิริยะธรรมสรุปลงรวม ล, ลงในอัปปมาทะธรรมเนี่ยไม่ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจแล้ลึก พร้อมที่จะสร้างคุณงามความดีทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกขณะจิตเป็นผู้มีหลักเป็นผู้มีหลัก ค, ค, ค, ความเป็นผู้มีหลักความเป็นความเป็นผู้ขยันความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้มีหลักธรรมกำกับใจประกอบภายในใจ ความเป็นผู้มีอุบายแยบขายมีโยนิโสมนสิการแยบขายละเอียดละอรู้เหตุผลท่วนทั่วสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญอย่างแท้จริงสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่อความทุกข์เพื่อความยากความลําบากมาสู่หัวใจของเราอย่างแท้จริงมีสติมีปัญญาเป็นผู้มีหลักใจให้กับตัวเอง เป็นผู้ง่ายต่อการพิจารณาอย่างรู้หลักสักจจะทร ร, รู้เหตุรู้ปัจจัยเกิดทุกเกิดโทษเกิดเวรเกิดภัยรู้จักหลบรู้จกเลี่ยงรู้จะหลีกรู้จกเวน้นสรุปลงแล้วคือฉลาดเอาตัวรอดหากไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ลำบากต้องต่อสู้ เพราะฉะนั้นท่านจงว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันพึ่งพาอาศัยคนระดับระดับครูบาอาจารย์ระดับมูเพื่อนไล่เรียกันเสนาสนะเท่ากันที่เรียกว่าสมานาสนิกะภัญษาไล่เลียกันสองไม่สองปีสามปี สมาณานิกะเป็นผู้สามารถนั่งสับที่กันได้นั่งก่อนก็ได้นั่งหลังก็ได้นั่งอาสวะสูงเท่ากันได้คนระดับนี้ก็เป็นที่พึ่งเก่ ก, กันและกันได้คนมีปัญญาสามารถถือเอาประโยชน์จากคนที่อ่ อ, อนลงไปได้จนถึงกระทั่งเนนน้อยอ อันไหนเป็นบทเป็นบทบาทเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดเราสามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้เก็บขโมยขโมยเก็บเอามาเป็นสมบัติของตัวเองได้ในหลงตาท่านว่ารวไปถึงสัตว์ใดๆฉันเนตัวไหนอย่างสุนัขตัวไหนที่มันมีนิสัยดีอัธยาศัยดีเอออัธยาศัยดีว้ยแน่ แล้วก็ขโมยอัธยาศัยของมันมาใช้ได้คนอคนนั้นนิสัยดีค น, นนั้นนิสัยดีค น, นนี้ น, นิสัยดีองั้นนิสัยดีงนี้เป็นครูได้ค น, นนั้นนิสัยไม่ดีอย่างงั้นไม่ดีอย่างนี้น ไ, มนไม่ได้เป็นครูในแง่ของความคิดได้ระลึกได้แล้วก็คือวิรัตคืองดคือเว้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอ า, เอาปัดออกช่วยตัวเองได้เอาตัวรอด นีเราพูดถึงการดูแล ร, รักษาตัวเองทำยังไงทาไมเราจะไม่ถูกแมลงกัดกัดกินใบทุกคนตั้งใจจะปลูกโหด้วยกันทุกคนนั่นแหละวางอาศัยร่มเงาตัวเองได้พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้พึ่งพาอาศัยทํายังไงเราจะไม่ให้มมแมลงมันกัดกัดยอดกัดใบกัดยอดอ่อนกัดจนหมด ไอ้ที่มันจะรัดออกมาเป็นใบเหลือแต่ตอเหลือแต่กิ่งมันเนี่ยมนเนยมล็ดมันมากัดกินหมดที่จะเจริญงอกงยงอกงามไปไม่มีน้ำซ้ำก็ตัวดด้วงมันไปล้อมล้อมล้อมลหักหมดทั้งกิง่งทั้งกา้านด้วงเจาะกินพลุนไปหมดเน่าในโอ้โหน่ากลัวเน่าในนะ ถูกทงดวงเจาะถูกทั้งอะไรตุนกัดถึงรากแก้วข้างหลังรุปลงก็ไม่มีอะไรเกินแหละเกินกิเลสตันหาอาสวะที่มันกัดกินรากต้นใบรวมไปถึงดอกผลต้นโพของเราต้นโพของเราคือต้นใจของเราเนี่ยแหละ ดูไปที่ใจนั่นแหละต้นโผของเราต้นใจของเราเราหวังพึ่งหวังความสุขหวังความชุ่มเย็นจากการที่เราตั้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเราเราได้อะไรเป็นหลักเกณฑ์จากศิลเอยจากธรรมเอยจากตำรับตำราจากคำเทศ ของครูบาอาจารย์องค์นั้นเอ่ยองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นเอ่ยจากการเราได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์พูดกรอกหูทุกวันเอ่ยเราได้อะไรบ้างที่มันไปตกค้างอยู่ในหัวใจของเราที่จะามาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะดูแลประยุงรักษาตัวเองไปให้รอดเพื่อไปให้รอดนี่สาคัญอยู่ชีวิตเราไม่ใช่อยู่แค่นี้ เราจะต้องก้าวไปอีกยาวการไม่สร้างเนื้อสร้างตัวการไม่ตั้งอกตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวการไม่ตั้งอกตั้งใจฟาฝืนสิ่งชั่วช้าลามกที่เป็นฝ่ายต่ำการไม่สั่งสมอบรมความรู้ความเข้าใจความฉลาดด้วยความภากความเพียรแล้วเราก็ล่าหลังเขาละตกกระป๋องไม่ทันเขา ไม่ทันเขาไม่ทันเขาไม่ทันใครไม่สําคัญไม่ทันกิเลสในใจของเราตัวนี้สําคัญกิเลสมันปริมอยู่ในหัวใจมันพร้อมที่จะกระสิบให้ไปโน้นกระสิบให้ไปนี้เราไม่ดูมันเราไม่ดูทันเห็นไม่เห็นคุณค่าของความยับยั้งสัมรวมระหว่าไม่เห็นคุณค่าของความอุตสาพยายามไม่เห็นโทษ ของความเสียหายที่สิ่งเหล่านั้นจะเพิ่งหลุดไม้หลุดมือเไปรวมถึงไม่มีหลักธรรมในหัวใจมาคอยสะ ก, กิดคอยเตือนตัวของตัวเราแล้วเราก็ตัวคนเดียวเหมือนกับไม่มีหมูไม่มีเพื่อนไม่มีครูบาอาจารย์แล้วไม่มีคนคอยแนะคอยบอกคอยสอนอยู่คนเดียวโดดเดียวมันก็พร้อมที่จะ ให้แมลงทั้งหลายมาเกาะมาทึงดวงดวงทั้งหลายมาล้อมล้อมตุนทั้งหลายมากาดักาดกัดร่าแก้วไหนสุกล้มคลื่นจบต้นชีวิตต้นนั้นที่เราพยายามจะสร้างจะทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นจบมีเป็นอุปมาเป็นอุปไมยเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปเป็นข้อเตือนใจ a j a n w a ก็นิมนต์ไปเทศเลพ่อพ่อเสียแล้วพ่อพ่อเป็นมะเร็งเสีย <c oughs> เสียมื่อคืนอยู่สว่างอยู่สว่างหลพ่อสว่างวันที่ยิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งเนี่ยนิมนต์ไปเทศเผาศพพ่อ ajanwang พระอุปชาที่มาบวชเนี่ย โยมเพื่อสว่างมีมนไปถึงวันนั้นเราเอารถไปใครจะไปด้วยก็ได้ใครที่เป็นโรกศริษย์เพื่อนอะไปด้วยไปช่วยไปร่วมไปช่วยก็ได้เราม่มีอะไรเราหาอะไรไปช่วยเพื่นที่สําคัญระ บ, บูไม้เราไปเท ศ, เทศนีิด เ, เทิดก่อนที่จะปล ong ศพเลยละตามธรรมเนียมก็มีแต่ยา้า้ไปเทิด เมื่อวานก่อนนี้กับทำกอกโด้ก็ น, นิมนต์ไปประเทศมันที่ย3 2สามย5่สี่ยี่สี่ยี่ห้าถินยจีการมันแปะก็มัดไปนู้นหมอฟยรถก็มัดไปนู้นท อ, พอพง้าพูมท่านมีก็มัดไปนู้นสารคามมีได้ไประเทศเท่นั้นแนะ เทศไปแล้ววันน่าฟังหรือเปล่าเป็นที่เปรียบเสมือนปุ๋ยน้ำอากาศดิบดีไปรดอไปรดน้ำพรวนดินพอให้มีรสชาติของดินของปุ๋ยให้ต้นโพ้นั้นพอได้ดูได้ดื่มกินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ อยู่มาหรือยิ่งเท่ากับไปไล่อะไรออกให้แมงไปเจาะไปร่รมไปกินมดวัน ท, ที่สองพิจิกานี่ก็จะมีการไปชมใหญ่ที่บันดาดเพื่ อ, อยังดูว่าเราจะมีการทำความบาทกันไหมเขาจะฟังเราเขาจะให้ ให้ความหวังเราพอที่จะให้เรายกเลิกสิ่งเหล่านี้ไหมก่อนที่จะถึงวันที่สองเนี่ยเราก็ไปวันนี้ไปไปซ่าบัสเขาไปบอกกูพเพงก็บอกจัจก์มุนจันเขาบอกมั่งกูคามีเจ้าอำเภอก็บอกครับเรียนกันนี่คือคือเขาไม่กลัว ไม่กลัวบาปไม่มีความละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปเขาไม่คิดถึงความเดือดร้อนของพระเขามองไม่เห็นความเมตตาของพระที่พระพยายามอุตส่าห์วิ่งเต้นจัด สร้างทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังเอาสือ่อคือธรรมะเนี่ยเข้าสู่หัวใจเขาไม่คิดคิดอยู่แต่บางทีเขาไม่ทำเพราะมันมีสิ่งอื่นที่น่าทำกว่าเขาเลยไม่ทำเป็นเหตุพวกเราต้องในตามต้อนกันอยู่เนี่ยในภาษาก็ต้อง ไ, ไป คิดกันจนคิดแก้ไขว่าทําไมจะได้ให้มรดกวิทยุเสียงธรรมของดวงตาเนยืดยาวไปได้แล้วก็พร้อมที่จะขยายไปอีกหลายแขนงหลายสาขาหลายต้นหลายสถานีที่เราเป็นอยู่เราก็เปิดได้หลายได้มันไม่เห็นเดือดร้อนถ้จะให้หวังเราถ้าจะให้เราหวังก็ น่าจะพูดอะไรมั่นเหมาะกรณีเป็นการฝึกฝนอบรมเป็นการฝนฝนให้แหลมฝนให้คมฝนมีดให้คมฝนเข็มให้แหลมฝนเหล็กให้ฝนเหลาให้แหลม เกิดความรู้สึกนึกคิดทางด้านสติปัญญาเหตุการณ์มัน บ, บังคับม่อ ก, ก่อนตายอยู่กับเดี๋ยวนี้ท่านไม่อยู่มันภาวะมันไม่เหมือนเดิมแล้วเขาไม่ฟังเราก็ได้ก็ทำยังไงก็ได้ก็ไม่กลัว ว่าไม่มีเหริไม่มีอุปสไม่กลัวไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่ดีเราเมตตาคนอื่นเพื่อได้ยินได้ฟังด้วยรวมทั้งเมตตาเขาชุดดึงร่างเขาเอาไว้แต่ไม็ชุดไม่ได้มันมีสิ่งที่เหนือ เหนือสิ่งที่เรากำลังชุดเขาอยู่ต้องการให้เขาอยู่ไม่ต้องการให้เขาจมที่เขาก็ยามทำถ้าเกิดไม่ฟังเสียงขัดคานต้านทานห้ามปรามขอร้องเลยก็ต้องจม เพราะที่เราทำนี่เป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมทั้งนั้นพูดผู้ได้เหตุด้วยผลด้วยความเหมาะสมพูดตรงไปตรงมาไม่มีบิดเบี้ยวหัวต้นทํากลางปลายเสมอต้นเสมอปลายไม่บิดไม่เบี้ยว ไม่ละอายกจใจตัวเองแหละเพราะเห็นว่าเป็นอุบายวิธีเป็นคำพูดที่เป็นธรรมแต่สำหรับเขาจะบิด จ, จะเบี้ยวจะอะไรเขาทำได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนโยบายเพื่อทำเป็นเหมือนน้ำนโยบายเพื่อกิเลสเนี่ยมันเหมือนไฟ แต่นะถ้าไฟมากน้ำน้อยน้ำก็ดับไฟไม่มอดนี่เราเหมือนกับเมืองกับว่าน้ำน้อยต้องการจะดับไฟมันดับไม่มอดไฟเขากำลังกว่ากำลังมากกว่าทุกกว่าร้อนกว่าดับไม่ได้ดับหัวใจเขาไม่ได้ เราพร้อมจะดึงจะดันได้หมดทุกอย่างไอ้พวกเราขยับโน้นกดชนศีลขยับนี้ก็ชนธรรมอยู่ในกรอบของศีลของธรรมแต่ก็เป็นกรอบไม่ให้เราเดือดร้อนจากฟืนจากไฟเขาสามารถเอาดุนไฟมาแย่น้ำไม่น้อยงเราให้เหือดได้ แต่ถ้าไฟเราถ้าน้ําเรามากเราก็ดับได้ไฟหมายความว่าไฟเขาต้องน้อยแล้วก็ถอยลงถอยลงถอยลงถอยล ง, ยลงจนเหลือน้อยนะเราก็ดับได้แต่ถ้าเขามีได่เอาฟืนไปใส่กระเพือให้มันคลองใหญ่เข้าใหญ่เข้าทําไมเราจะดับได้เราดับมันได้ก็ทุกใครทุกมันแหละของเขาอ่ะ คงเราก็เท่าเดิมและถ้าเราไม่บิดเบี้ยวหัวใจของเราเราสร้างพติ ก, กรรมที่ดีเราอยู่ในกรอบของสินงที่ทำเราพอสมควรแล้ ว, วันนี้ไปเร้ว